บุกทูเก้าสิบเอ็ดนาเดกอุนุอุนุประโยครองลงมาที่หนึ่งซูปฟราซอยคุณแคอุนุหวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น E os, คุณทราบได้อย่างไรดีขี้อวิสติ as t i อ n ดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้นมีเอนสเปร e ส์เกี่ยวกั o s เขาต้องมาแน่เขาต้องมาแน่แน่หรือชุติโอเซอร์ ดิฉันรู้ว่าเขาจะมามิสเซียสเคลีเวนอสเขาโทรมาแน่ลิเตร์เตโบกัสจริงหรือช <uv> ูเวเร่ดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมามิเครดาสเคลีโบกัสวายมันเก่าแน่ ลาวิโนเซิร์ตมัลโนวัคุณรู้แน่หรือชูวิเซิร์ตสเปติโอดิฉันคิดว่ามันเก่ามิสูปโพดาสเคจิมัลโนวัสหัวหน้าของเราดูดีมากนี่อสโตรเบลัสเป็กเตสคุณคิดอย่างนั้นไหมชูวิโอปิเนียสเทียน ดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียวมีเอชอินอสครทรเลสเสหัวหน้ามีแฟนแล้วแน่ๆละเอสตรเต์าวสคอรมิคนนคุณคิดอย่างนั้นจริงๆหรือชวิเวรครดัสทียนเป็นไปได้อย่างมากว่าเขามีแฟนแล้ว ยาเอบลาสเกลิฮวาสโครามิคินอน